พนต่อถ้อยคำได้ด้วยนั้นแหละสมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกบทเป็นบนรรพชิตด้วยตาตาข้อความตัวนี้ต้องอธิบายนิดน่งอธิบายยออ่อพอประการที่หนึ่งเนี่ยเนื้อความในประสูนบอกชัดว่าท่านติสสะเนี่ยมีลักษณะชอบว่าคนอื่นแต่เวลาโดนเขาว่าบ้างพนไม่ได้ แล้วก็เกือบจะเป็นลักษณะธรรมดาของคนที่ชอบด่าชอบว่าคนอื่นเนี่ยที่มักจะเป็นคนทนไม่ได้ทนหมายถึงทนคนอื่นว่าไม่ได้ใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องแปลกนะน่าจะมีใจ ย, ยุติธรรมบ้างเอา้าเมื่อเราว่าเขาได้เขาว่าเราเราก็ต้องยินดีต้อนรับหรือยินเมื่อเราชอบว่าเขาเราก็ชอบที่จะให้คนอื่นเขาว่าวันไหนไม่มีใครว่าใครด่าก็ เปี่ยวหูทนไม่ได้เหมือนขาดอะไรบางอย่างที่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่เป็นพฤติกรรมประหลาดจริงๆไม่แปลกแต่ว่าประหลาดเมื่อเราคิดในแง่ของพฤติกรรมทางธรรมะทางธรรมะเมนี่ยเมื่อเราเมตตาใครแล้วก็ชอบที่จะเห็นใครเมตตาเราเมื่อเราให้ความจริงแก่ใครเราก็ชอบที่จะให้ใครให้ความจริงแก่เราใช่ไหมไม่ต้องซ่อนเล่นไม่ต้องหลบลี้ในการแสดงออกโดยสิ่งที่ เป็นพฤติกรรมทางธรรมะทีนี้ไอ้ตรงนี้นะ่ะอันก็มีหลักอันหนึ่งว่าหลักในนี้หมายถึงหลักข้อแท้จริงไม่ใช่หลักคลัวปฏิบัติคือคนที่ว่าเขาในกรณีของท่านติดสระเนี่ย อ, อที่มีลักษณะยกโทษคนอื่นเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีลักษณะอดทนน้อยนั่นเองถ้าสมมุติว่าเราทนเขาได้ว่าเออเขาบ่นนิดหนึ่งแล้วก็ทนก็ไม่ว่าใช่ไหมล่ะ แต่พอเราทนไม่ได้แค่เขาประหลับประเหลือกนิดหนึ่งเราก็ทนไม่ได้แล้วถ้าเขาว่าเราจะทนได้หรือแต่ไม่คิดนะว่าไอ้ที่เขาประหลับประเหลือกนิดนึงเราทนไม่ได้แล้วไปว่าไปด่าเขาเพียะแค่นั้นเนี่ยเป็นการยั่วยุให้เขาว่าเราหนักยิ่งขึ้นแสดงอาการไม่น่าอใจหนักยิ่งขึ้นถึงขั้นที่ว่าเราอาจจะทนไม่ไหวอย่างรุนแรงเลยเนี่ยก็ไม่ได้คิดใช่ไหมฮะเมื่อไม่ได้คิดเนี่ย มันก็เลยก็คือลักษณะคนทนไม่ไม่ได้คนมีความอดทนน้อยนี่เป็นคำอธิบายพฤติกรรมอย่างนี้เป็นลักษณะของคนที่มีความอดทนน้อยกันติน้อยท่านติดสานะท่านเป็นอย่างนีทีนี้ที่พุเจ้าตรัสว่าถ้าเธอว่าเขาด้วยแล้วก็มีลักษณะอดทนต่อถ้อยคำด้วยคำว่าอดทนต่อถ้าถ้อยคำเนี่ยเป็นคำที่ถ้าเป็นภาษาบาลีแล้วผู้ก็ไม่ต้องขยาย แต่ภาษาไทยเขาบอกว่าอดทนต่อได้คําทุกขื่อหนึ่งเขาวาดด้วยต้องขยายแบบนี้นะแต่คําว่าอดทนต่อท้ายคำมันมีความหมายอยู่ในตัวของมันแล้วว่าคนที่มีลักษณะอดทนต่อท้ายคําไม่ต้องบอกว่าอดทนต่อได้คําอะไรของใครแต่เวลาอาพูดเป็นอย่างภาษาไทยต้องขยายความอาข้อนี้นะ่ะหมายความว่าอย่างนี้หรือนี่ผมชวนให้คิด เพื่อจะชี่ห้เห็นว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโดยลำดับภูมิธรรมคนเนี่ยท่านมีขยักข้อแม้ไปตามความรับได้ของคนตามสมควรแก่เหตุผลของภูมิธรรมคนเออผมถามท่านว่าอย่างนี้ว่าเราเนี่ยควรจะหัดเป็นคนว่าคนอื่นเขาด้วยไม่ต้องเลิกเพียงแต่ว่าเมื่อคนอื่นเขาว่าก็หัดอนคำคนอื่นเขาด้วยอย่างนั้นหรือจึงดี แล้วก็รักษาคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้ไว้ตลอดชีวิตหรือเปล่าหรือว่าไม่ควรว่าคนอื่นไม่ควรด่าคนอื่นแต่ควรทนทายกรรมคนอื่นเราก็ตอบว่าอย่างหลังไม่ควรว่าคนอื่นแต่ควรทนทายกรรมคนอื่นนะฮะอันนี้นะ่ะเป็นคุณธรรมที่ถือยืนพื้นไปได้ตลอด แต่ที่พุทธเจ้าสลัดแกท่านติดสาว่าเธอว่าเขาด้วยแล้วอดทนถ้อยคำคนอื่นเขาด้วยเนี่ยจึงสมควรข้อนี้ท่านพูดเพื่อที่จะเติมคุณธรรมส่วนหนึ่งลงไปเท่าที่ท่านติดสาจะรับได้อย่างสมเหตุสมผลน ะ, ะเมื่อเราด่าคนอื่นก็คนอื่นก็ดา่าแล้วก็ต้องฟังี่ ใช่ไหมฮะก็หมายทีงบอกอย่างนี้มันถึงจะยุติธรรมมันถึงจะสมควรแก่เหตุผลตีวเรียกว่ า, าท่านทรงให้ธรรมะข้อความอดทนแต่ยังไม่พูดถึงการถอนการว่าคนอื่นเพราะให้สองอย่างเดี๋ยวรับไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าว่าคนอื่นจะต้องรักษาไว้ เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสอย่างนี้เนื้อความในพระบิดกต่อไปพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาครั้นได้ตรัสไวยกรภาสิณนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าเธอโกรธทาไมหนอเธออย่ากโกรธติดสะความไม่โกรธเป็นความประเสริฐของเธอแท้จริงบุคคลย่อมประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อกําจัดความโกรธความถือตัวและความลบหลู่คุณท่านคําว่าลบหลู่คุณท่านเนี่ยคือเ อ, อท่านคือคนที่มีลักษณะ <S <S เพ่งโทษหรือยกโทษอย่างกีณีท่านติดสารเนี่ยไอ้คนเพ่งโทษเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้อย่างเลวเต็มๆเนี่ยจะมีลักษณะสองอย่างคือคนที่เลวก็เพ่งตามเนื้อผ้า ไอเพ่งตามเนื้อผ้าถ้าเพ่งด้วยอกุศลจิตถือว่าผิดที่คนเพ่งใช่ไหมเรียกว่าเป็นการด่าตามเนื้อผ้าไอ้ด่าตามเนื้อผ้านี่ผิดไหมผิดอย่าไปคิดว่าไอเราไปชี้หน้าด่าเขาหยาบๆคล้ายๆบอกว่าเขาเลวงั้นจริงๆผมไม่ด่าผิดข้อมูลน่ะเนี่ยด่าตามข้อมูลก็ผิดแต่ผิดน้อยกว่า บาปน้อยกว่าด่าเกินข้อมูลเกินความจริงนะฮะคื อ, ขอเขาผิดนิดเดียวไปพิม่มมันตังเยอะหรือเขาไม่มีความผิดเลยไปพูดซะจนกระทั่งยังกับเขาว่าผิดอย่างโง่อยางี้อย่างนั้ น, นนะบาปมากเป็นการเป็นพาลุสวาท ด, ด้วยแล้วมุสาวาท ด, ด้วยอ่ะอันนี้อันหนึ่งทีนี้ไอาการผิดความจริงเนี่ยบางทีมันผิดข้ามเลยอย่างเงี้ย คือคนเขาดีอยู่แท้ๆนอกจากว่าเขาไม่ได้ทำความผิดอันนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเขามีคุณที่บางทีมันมันตรงกันข้ามกับความผิดนั้นด้วยแล้วก็มันดีกว่าคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำความผิดนั้นแต่ว่าไม่ได้ทำความดีอะไรยกตัวอย่างเช่นว่า เ, เราไปด่าใครคนหนึ่งว่าไอ้หัวขโมยและขโมยจริงๆเนี่ยด่า ถูกความจริงอีกคนนึงเขาไม่ได้ขโมยแต่เขาไม่ได้ให้ทานนะเราก็ไปด่าว่าไอ้ขี้ขโมยอย่างนี้ไม่ถูกความจริงแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาบริจาคทานด้วยไม่มีมรจิยะด้วยเราไปด่าว่าไอ้โจ้ไอ้ขี้ขโมยนี่ถือว่าคําด่านี้นะไปลบ ปลู่ความดีที่เขามีที่มันตรงกันข้ามกับความไม่ดีที่ตัวเองยกขึ้นมาดา่าเรียกว่าเป็นการลบหลูคลหล่คุณท่านลบหลู่คุณท่านเพราะนั้นการปรามาสดูดด่าว่ากล่าวที่มันกระทบไปถึงความดีของเขาในเชิงปฏิเสธแล้วก็เขามีอยู่ด้วยเนี่ยถือว่ามันเข้าข่ายของการลบหลู่คุณท่านไอ้องคุณของบาปมันก็เกิดหลายอย่าง พระบุธธเจ้าท่านจึงอุทานคาถาในลักษณะขวาดล้างทั้งหมดอีกทีนึงเมื่อทรงตรัสเป็นทำนองให้สมควรแก่ฟังดูสมควรแก่เหตุผลทีนี้ไอ้เรื่องนี้นะเบื้องหลังของประสูตรนี้อธิบายอย่างที่ผมพูดเล่าประวัติท่านมาแล้วว่าความทุกข์ของท่านที่ต้องชอกช้ำใจและหาคนอื่นพึ่งไม่ได้เราคิดคนอย่างนี้จะไปหาเพื่อนปลอบใจที่ไหน ใช่ไหมไอโดนเขาด่ามาลองไปแวอีกุฏิสิกุฏินี่ก็ด่ามาแย่กุฏิโดนด่าตั้มเลยใช่ไหมละ่ะไม่เจอเพื่อนก็นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเราทนไม่ไหวแล้วต้องไปฟ้องพระพุทธเจ้าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเผือพระพุทธเจ้าท่านถือหางเราเห็นแก่ความเป็นญาติก็จะได้ทรงไปกำหลาบปราบปรามน ะ, ะํานองนี้ก็คิดแบบปุถุชนนะ คิดแบบปุตตชนว่าอย่างงีอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแม้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ทรงตรัสเป็นลักษณะของการถือหางเลยแม้แต่น้อยเดียวถามว่าเมื่อทรงสารอย่างนี้แล้วท่านติดสระร้องไห้มากขึ้นลามปามมาว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าคอยอย่างชั่วขึ้นตอบว่าคอยอย่างชั่วได้ความคิดเนี่ยเป็นการลดกิเลสได้ระดับหนึ่งว่าเออจริงฮะ นี่การให้เหตุผลสะ ก, กิดชักชวนให้ขอคิดเออเราว่าเขาได้เขาว่าเรามันก็ต้องเจ้ากันไปเราต้องสร้างลักษณะคนขี่ขโมยขี้โกงคนอื่ น, ค น, นคนอื่นเขามาโกงและชอบมีไหมคนชอบเอาเปรียบคนอื่นคนอื่นมาเอาเปรียบแล้วแม้ดีแล้วเกินยุติธรรมดีมากไม่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องอกุศลเนี่ยมันมีไอข้อสังเกตของความเป็นอกุศลอันนี้เป็นอันหนึ่ง เวลาเราวิเคราะห์อกุศลกับกุศลเนี่ยนะว่าบุญหรือบาปเนี่ยมันมีทางวิเคราะห์อย่างธรรมดาหลายอย่างแต่อันนี้ถือเป็นเป็นอันหนึ่งว่าถ้าลองเป็นความดีแล้วเอาใจเขาใส่ใจเราใจเขใจเราใส่ใจเขาพฤติกรรมเขาใส่พฤติกรรมเราพฤติกรรมเราใส่พฤติกรรมเขาเอาต่อหน้ากระรับหลังมาย้ายใส่กันกุศลแท้ๆไม่ขัดข้อง แต่ถ้าอากุศลเราก็จะกัดข้องไม่ยุติธรรมังนั้นความไม่ยุติธรรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องของอกุศลตัตระมัจจตตาเจตสิกจึงไม่เกิดอยู่ในอกุศ ล, ลจิตมีหลักอภิธรรมนะแล้วอกุศ ล, ลจิตเนี่ยจึงมีตัตทะมัจจตตาถ้ากุศ ล, ลจิตใดมีตัตทะมัจจตตามีกําลังน้อยและมันแสดงอาการยุติธรรมมีขีดขั้นเนี่ยก็คือกําลังน้อยขีดขั้นความยุธรรมมันก็น้อย ไปตามกําลังของตัตตะมะตะตาในอกุศลในกุศลนะพอกําลังมันน้อยอกุศลมันก็เข้ามากวางมากวาดมาเป็นพรมแดนได้ในภายหลังอันอย่างง่ายๆว่าบางเรื่องเนี่ยเราจะยุติธรรมในระดับของผลได้ผลเสียบางอย่างแต่พอผลได้ผลเสียมันเกินเลยวันเราชักไม่ยอมยุติธรรมแล้วบางทีหนักเข้ายัางมาเถียงพระอีก เถียงพระพุทธเจ้าว่าอย่างงู้อย่างนี้แม้แต่เรื่องการบูงมันชัดเกลารู้สึกชังนักอย่างงูอย่างนี้เราเถียงตัวเองทุกคนเนี่ยมาเนี่ยเราเป็นบุตรชนเราก็มีขอบเขตในแต่ละเรื่องแต่ละคนต่างๆกันก็ขอให้รู้ว่าเราต้องแยกหลักการออกจากความคิดด้วยเงื่อนไขของระดับกุศลจิตของเราก็เป็นอันว่าถึงยังไงก็แล้วแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยท่านเป็นอหรหันต์ไปแล้ว แล้วก็อันนี้ก็คือข้อยืนหยันว่าชีวิตคนสร้างบา ร, รมีปฏทิ้มภรวิกษัตริย์เนี่ยดูถูกกันไม่ได้เกลียดกันไม่ลงหรอกครับก็เพราะตรงนี้เกิดมายากจนคุนแค้นโรคภัยแย่เจ็บเต็มตัวเราก็ดูถูกไม่ได้เกลียดไม่ลงและเราก็ต้องเผื่อมองดีในส่วนลึกที่มันซุกซ่อนอยู่ให้เห็นเราก็จะมีเรียกว่าเป็นรจนามีตาวิเศษ มองเห็นอะไรที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วก็คนที่ว่าชั่วช้วชาเนี่ยที่มองเข้าไปลึกแล้วมันมีอะไรก้องดีในนั้นแล้วบางทีดีๆกว่านี้ในชั้นนอกๆไม่มีดีข้างในก็บรรลุไม่ได้เหมือนกันแต่ต้องหมายความว่าความชั่วนั้นต้องอยู่ในขอบเขตที่จะทําให้บรรลุได้แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามความไม่ดีนั้นเป็นตัวถ่วงความเจริญในธรรมแน่ มีมากมีน้อยก็ถ่วงทั้งนั้นต่อไปมาถึงองค์ที่สี่สิบองค์ที่สี่สิบชื่อว่าท่านวัฒมาณนะท่านวัตมาณนะเป็นชาววัชีเกิดในเมืองเวสาลีแล้วก็โดยเชื้อสายเนี่ยท่านไม่ใช่ราษฎรธรรมดาเป็นอาภิสิทธิ์ชนคนหนึ่ง คือเกิดเป็นเชื้อเจ้าลิชวีแต่ก่รแตลายเนี่ยนะฮะโดยชีวิตปกติตั้งแต่เบื้องต้นมาท่านก็เป็นคนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นทายกบริจาคทานทาบุญเป็นการะกะแก่พระพุทธศาสนาช่วยเหลือผลขวามในกิจพระศาสนาแล้วก็พระสงฆ์องค์าเจ้าแล้วก็เป็นสังฆุปถักดูแลให้การอุปถัมภ์พระสงฆ์องคเจ้า ด้วยบัตรใจสี่ตามกำลังของตนของตนอันนี้ชีวิตปกติแต่ว่ามันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราเกือบจะต้องจำชีวิตท่านไว้เป็นแบบอย่างและความเด่น ด, ดังของท่านชื่อท่านปรากฏติดหูติดตาของคนอ่านประวัติพระอาหารหันต์อ่านพระไตรปิฎกก็เพราะเกิดเหตุการณ์สำคัญ ข, ขึ้นที่ไม่เคยมีกับใคร แต่ได้มาเกิดขึ้นกับท่านคือท่านผู้นี้น่ะก่อนบวชเนี่ยนะครับท่านถูกความบาทเคยได้ยินครับว่าความบาทนะความบาทเนี่ยเป็นสำนวนที่เราเอามาพูดกันในนี้พูดในทางเอ้การเมืองเขาพูดว่าความบาตความบาทไม่ใช่ทุบบาทนะเพราะบาทนี่ไม่ใช่บาทของคนที่เราคว่ำให้บาทของเราทุบก็บาทเราแตก ความคือไม่ไม่รับอะไรจากเขาคือเรื่องนี้นะ่ะที่จริงถ้าจะอธิบายในเชิงจิตวิยาการปฏิบัติตัวเนี่ยขยายความได้เป็นเรื่องยืดยาวน่าฟังมากยืดยาวก็คือตั้งสองยี่โมงเลยนะให้เป็นหลักอะไรแฝงอยู่ในนี้ยะแต่ว่าที่พูดอย่างในในแง่ของพระเนี่ยบาทของพระเนี่ยคือเรียกว่าเป็นหลุมแห่งมนุษย์สัมพันธ์ เราจะเรียกว่าอะไรดีเป็นประตูแห่งมนุษสัมพันธ์ที่เชื่อมกันระหวางอาจจะเรียกว่าบาทเนี่ยเป็นธูตที่แสดงสรรทวไมตรีระหว่างพระกับโยมก็ดีบาทนี่แหละนะทุกอย่างตกลงบาทผ่านบาทนั่นพระเนี่ยไปไหนต้องมีบาทจาริกไปไหนตัง่สมัยก่อนนะและบาทเนี่ยท่าไง ไปสู่ใครแปลว่าพระมีจิตเมตตาเกื้อกูลแก่คนนั้นพระขอใครด้วยอาการอย่างพระเป็นความกรุณานี่ผู้ยิ่งวางเกณฑ์นามวิสัยพระละหันเนี่ยนะยิ่งชั้นดีเท่าไหร่เนี่ยยิ่งหมายถึงความเกื้อกูลหมายถึงการนำราบนำสิริมงคลมาให้แตถ่ถ้าหากว่าพระเจอหน้าโยองอะไรละหันบาดหนี ไอหันบานนี้เนี่ยเขาเองชัเดินหลบหนีแสดงว่าวันนั้นเอาจรพะวันนั้นนะฮะเพราะไอความบาสนี่คือทุกวันเท่าที่ยังไม่เลิกความวันนั้นไม่ใช่ลาภของคนนั้นอย่างท่านมหากัสปะออกอย่างนี้โลดรู้แล้ววันนี้จะไปหงายบาสหาครอุสาหลบบาสจากบุคคลหลายหลายคน ไม่สมควรจะได้รับโชคออกอย่างนี้ลดเพราะ น, นั้นบาตรของพระหลานที่มาหาเราเนี่ยนั่นคือขุมทรัพย์มันยิ่งใหญ่ที่เราควรช่วยโอกาสทีนี้ถ้าสมมุติว่าใครคนใดคนหนึ่ง พระไม่ยอมรับบาตรเลยไม่ยอมรับการทำบุญไม่ยอมรับติดต่อ ด, ด้วยคนนั้นนะถือว่าแต่พูดอย่างภาษาเราก็เลยอัปีจันลาย น, นี่พูดถึงพระอาหารหันนะนี่พูดเอาเกณฑ์ถึงพระอาหารหันเราไม่พูดถึงระดับไม่ใช่ว่าโยมยกขันข้าวหนีพระ แค่นั้นไม่จะเกณฑ์าหลานแต่เกณฑ์สังคมอาหลานสังคมลูกเจ้าตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วถ้าใครถูกทําอย่างนี้โอ้คนเขาไม่คบรบครับพระไม่คบแล้วใครจะอยากคบใช่ไหมใครไม่อยากติดต่อด้วยมันเป็นเรื่องกระเทือนใจรุนแรงเอเดี๋ยวผมจะเล่าว่าทําไมท่านวัตถมานะเนี่ยจึงถูกบ้ามบาตอัตกถาท่านบอกว่า ออย่างเนี้ยเหมือนกระโดนเหมือนกับเหเยียบไฟใครถูกความบาดเหมือนเหยียบไฟอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะใจมันถูกเหมือนถูกช็อตอยู่ตลอดเวลาและเพราะถูกความบาดและตอนหลังพระสง์เกิดหงายบาทเดี๋ยวเล่าอ่ะทําไมถึงหงายทําไมถึงคว้างท่านจึงเกิดความสลดใจว่าแม้เราเกือบพลาดแล้ว รองพระไม่ครบนี่จะไปฟังธรรมที่ไหนก็สมมุติว่าจะมาเข้าฟังธรรมเนี่ยนะแทนที่พระท่านอาจจะสั่งคนในี้คนนี้มาไม่ต้อนรับไม่สมาคมด้วยหมดเลยเมื่อท่านถูกหงายบาทท่านก็เกิดความสลดใจก็เลยคิดว่าเราเป็นพระตัวเองแล้วกันไม่ใช่ว่าจะไปหาโอกาสแก้แค้นความบาตรในคนอื่น เราเป็นพระเองก็เลยบวชบวชแล้วก็มาปฏิบัติตามธรรมดาของพระตัวไปสมัยนั้นเมื่อท่านมาสู่การปฏิบัตินั้นปรากฏว่าท่านเป็นพระที่ถูกกิเลสนิวรตัวหนึ่งครอบงำมากเป็นพิเศษคือถีนมิทธะนิวรครอบงำพูดง่ายเป็นคนกี่ง่วงทำกรรมฐานแล้วก็ง่วง ง่วงทุกอาสนะทุกบรนลังไปเดินจงกลมก็ง่วงไม่เรื่องเป็นเรื่องขี้ง่วงขี้ง่วงนี่กิเลสครอบงําตัวนี้กับการทําความดีมันก็เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็มีครับยุคนี้ที่ก็มีพวกเราเองยังมีครบไม่มาถามว่าเอ๊ะทาไมฟังธรรมะนี่มันฝืนง่วงไม่ได้สักทีง่วงทุกทีทั้งที่อยากฟังแต่ไอ้ทีนั้นม่ท่ามก็ทําให้ง่วง พวกเราที่นั่งที่นี่นะเคยมาถามแต่บางองค์ก็บอกว่าอย่างพระที่ที่านไมาได้มาท่านบอกผมไว้หลายหนแล้วว่าเป็นโรคความดันหมอให้ฉันยาฉันยาแล้วก็ยังอยากมาฟังธรรมะที่ไปฟังจุลาก็ง่วงง่วงอยู่องเดียว่โยไม่ง่วงอะ่ะมาที่นี่ก็ง่วงท่านก็บอกผมไว้เป็นส่วนตัวว่าหมายจริงๆไปไม่มาเนี่บอกติดกิจนี่มลแต่มาแล้วก็กง่วงทุกทีแล้ว แต่ถ้าได้ฉันกาแฟมันค่อยชั่วแต่ว่าหมอบอกไม่ควรฉันก็ไม่ฉั้นอะไรเลยง่วงก็ปล่อยให้มันง่วงไปตามฤทธิ์ยาแต่อย่างนี้ไม่ใช่ง่วงเพราะสันดานง่วงเพราะฤทธิ์ยาแต่ง่วงเนี่ยมันเป็นตัวปิดกั้นความเจริญในธรรมคือความง่วงนี่ไม่ได้ไปทํำให้ใครเดือดร้อนถึงไม่ฮะแต่ว่ามันทําให้เจ้าตัวเนี่ยเดือดร้อนกังวลใจทรมานใจยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรา นั่งสมาธิแล้วง่วงเนี่ยมันทรมานใจถูกไหมไอ้ที่จะนอนไม่อยากง่วงไอ้ที่พอจะทำธรรมะอ่านหนังสือนังหาทำกิจตุละที่สมควรก็ง่วงมันทรมานจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนทำกรรมฐา น, น, นท่านองค์นี้ท่านก็ง่วงแต่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคมาทรงตรัสชี้แจงแนะนำด้วยธรรมคาถาก็ทำให้ท่าน คลายหายงวงแล้วบรรลุเป็นพระหลันไปใไนที่สุดไม่ช้านะักฉชนจะเล่าเรื่องการถูกความบาดว่าเรื่องราวเป็นยังไงมาไง เ, เรื่องนี้ที่มาเนี่ยไปปรากฏอยู่ในพระวินยัยเล่มที่เจ็ดนะฮะซึ่งได้กล่าวถึงเจ้าฤฉวีอ่อนนั้นยังไม่ได้บวช ชื่อว่าวัฏทลิเชวีเนี่ยเ อ, อ้องค์นี้แหลคะครับผมอ่านข้อความตอนต้นให้ฟังสักนิดนะในในเรื่องราวนี้ยืดยาวเป็นเชิงเล่าทั้งเรื่องแล้วก็ถึงวิธีกรรมทาวินัยว่าความบาดเนี่ยต้องมีวิธีกรรมทั้งสงนะหงายบาดก็มีวิธีกรรมทางสงแล้วก็มีเงื่อนไขว่าความพละอะไรหงายเพราะอะไรหงายอย่างไรความอย่างไร ที่จะอ่านเนื้อความว่าท่านไปทำความผิดกับใครเพราะอะไร เ, เราคงจะไม่ลืมพระเทระองค์หนึ่งที่บรรลุธรรมตั้งแต่เจ็ดขวบเป็นชาวแคว้นมัลละเป็นพวกมัลลกษัตริย์คือพระมัลละทัพ บ, บุตรถ้าพระมัะบุตรไล้เล่าประวัติไปแล้วองค์นี้ท่านก็มีชะตากรรมไอเรื่องสูกใส่ใรสไร้ภาษีรือเรื่องประราชิก ก็คงจะไปทำไว้แต่อดีตนะผมยังไม่เจ อ, เอบุปกรรมที่จะเล่าโครงไปทำอะไรไว่ายัางไงแต่แน่ๆไปทำไว้แล้วก็ถูกใส่ร้ายที่เล่ามานะสองคดีแล้วจำได้ไั้ยเคยเล่ามาสองครั้งแล้วอผู้ใส่ร้ายที่เป็นคู่ปรปักกันก็คือเมติยะภิกษุกับภุมัชากาภิกษุ ซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นชาววัดชีไอวัดชีกับมันละเนี่ยมันก็ติดกันแหละครับและเห็นตามเชื้อสายของบุคคลในแคว้นทั้งสองนี้ก็กวามจริงมีความมีลักษณะตอนรับธรรมะได้ดีมากเลยแล้วก็ศรัทธาอย่างลึกซึ้งด้วยศรัทธามากด้วยแล้วก็ว่าเชื้อสายของคนสองแคว้นเนี่ยสืบสายทางมนุษยพันธ์มาจาก เทือกเขาลากอ่อเดียวกันแบบเดียวกับไทยกับลาวงี้แหละอยู่ใกล้กัน้ก็เรื่องทะเลาะว่แวงกันก็คงจะมีเป็นบางพวกบางคนใกล้กันจัดไปไดยังไงก็ไม่รู้หรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันก็มาเจอเจอกันในที่นั้นอีก <c oughs> ทีนี้เรื่องเป็นอย่างนี้เผมอ่านให้ฟังในนี้ท่านจะปฏิปัตต่อก็ที่ผมได้เล่าปากเปล่าเมื่อคราวก่อนว่าสมัยหนึ่งเจ้า ว, วัดทัลิจิวี สมัยนั้นเจ้าลัทธาลิชวีซึ่งเป็นสหายของพระเมตติยะกับพระภุมะจักะจึงเจงเ้าวัดทาลิชวีเข้าไปหาพระเมตติยะและพระภุมะจกะแล้วกล่าวว่าผมไหว้ขอรับเหมือนทำนองเราก็สวัสดีครับอันเจรีครับภาษาแต่ภาษาแกรีก่เนี่ยสมัน้มสเต จะเป็นแขกินดีหรือแขกเนปลาลกนาสัามสเต่์สมัยก่อนก็อัญจรีก็ว่าผมไหว้ครับยกมือไหว้ปรากฏว่าพอบอกยกมือไหว้ว่าผมไหว้ครับเมื่อเธอกล่าวอย่างนั้นภิกษุทั้งสองรูปก็มิได้ทักทายปราศัยคือทำไม่รู้ไม่ชี้ <laughs> ผมว่าถ้าเราไปเจอไสรสกคนนี่มันยังไม่พูดถึงพระยกมือไหว้แล้วทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยเราคงโห ม, โมกันนะเตาไปเจอพระไหว้แล้วทําไม่รู้ไม่ชี้ไอ้ไม่รู้ไม่ชีไไช้เนี่ยแต่อย่างพระก็ไม่รู้ไม่ชี้อย่างแบบละแต่เป็นโยมก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมยังเราไปไหว้พระบางทีท่านมันจะเป็นต้องรู้เมืงอกีก็แต่เราไหว้เราอยากไหว้แต่ไหว้ในลักษณะทักทายแล้ว mm hmm. เพื่อสื่อความหมายกันเนี่ย พระก็ต้องทํารู้ทำชี้อาจจะเจริญพรโยมอะไรนะซึ่ง อ, อาจจะยกมือยกไม้หรืออาจจะพินหน้าศกสายตามานิดหนึ่งก็ยังเป็นอาการของการรู้การชี้ถ้ายิ่งคนรู้จักมาคุ้นกันเนี่ยต้องมีการแสดงออกที่เป็นการแสดงน้ําใจกันที่ชัดเจนทีเดียว เออ่เมื่อครั้งแรกเข็นทำเฉยก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแม้ครั้งที่สองเจ้าลิีวีก็ได้กล่าวว่าผมไหว้ครับแม้ครั้งที่สามว่าผมไหว้ครับเฉยอีกเลยรู้เลยว่าเอเนี่ไม่ใช่เฉยธรรมดาแล้วต้องเฉยมีเรื่องนหะวัฒนลิชวีก็ถามว่าผมผิดอะไรต่อพระคุณเจ้าผมผิดอย่างไร ทำไมพระคุณเจ้าจึงไม่ทักทายปราัยกับผมภิกษุทั้งสองตอบว่าก็จริงอย่างนั้นแหละท่านวัฒนะพวกอาตมาถูกพวกพระทัพพระมละบุทเบียดเบียนเอาท่านยังเพิกเฉยได้เนี่ยอันตรธานนดแด้คือเ <c oughs> จ้าเลชิวีไม่ได้รู้เรื่องอะไรแค่เป็นเพื่อนแต่อันนี้เหมือนเป็นอุบายหรือคิดไปเอง <c oughs> อ่านี่ละ ว, ว่านะ ที่ว่าคิดไปเองก็หมายว่าไอ้คนใจเป็นผานเนี่ยมันต้องคิดแหละพอมันเจ็บใจคนบางทีไอ้ข้าวของไม่มีชีวิตจิตใจมันยังโทษเลยมังแมทาไมไอ้ที่กูจะตีหัวมันมึงไม่ต่พดมึงไม่โผล่ไม่กูเห็นว่า้าไมกูหยิบมึงไม่ติดวะก็กูหาเรื่องไปจนได้หรือว่ า, เ, าเลี้ยงสุนัขไว้ทําไมไม่เห่าทําไมไม่กัดก็โทษส่งเด็ดไปอีก ือคิดเอาเองอะโนอันธาพาลนก็เป็นอย่างนี้เจ้าที่ชีวีไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแกก็คิดเอานี่อันหนึ่งนะฮะแล้วก็อันหนึ่งอาจจะใช้เป็นอุบายอุบายว่าเราแสดงอาการอย่างนี้แล้วเพื่อนคงจะเอาเป็นดุละด้วยเราเป็นเพื่อนกันเมื่อเพื่อนเกลียดใครเป็นศัตรูก็ใครใครเป็นศัตรูกับเพื่อนเพื่อนก็ควรจะถือเป็นศัตรูด้วยหรืออาจจะทั้งสองอย่างประกอบกันก็ได้ อ่าวัดทาก็ถามว่าเราก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อความต่อไปเนี่ยสังเกตดูนะบอกว่าท่านวัดท่พวกอาตมาถูกพวกพระทัพพะมันรบุตรเบียดเบียนเอาท่านอย่างเพิกเฉยขึ้นพวกเลยนะความจริงท่านทัพพ่าท่านองค์เดียวไม่ได้ไปมีพวกอะไรเลยตัวเองต่างหากสมคบเป็นพวกเพื่อจะมาทําอันตรายแก่ท่านโดยการแทร่ร้ายป้ายสี แล้วก็ถูกตัดสินชนะคดีความท่านวัฒนาก็ถามว่าผมจะช่วยเหลืออย่างไรขอรับขอรับนี่อ่านตามสำนวนแปลรุ่นรุ่นหนังทีวีรุ่นเก่าๆขอรับขอรับรุ่นรุ่นรุ่นพระไตรปิฎกพิมพ์แปลใหม่ๆขอรับขอรับไม่ใช่ครับ อ, อ่พิกษูทั้งสองลูกก็บอกว่าท่านวัฒนา ถ้าท่านเต็มใจช่วยวันนี้พระผู้มีพระภาคต้องให้พระทัพพระมัลลบุตรศึกยื่นคําขาดเลยนะฮะบอกถ้าเต็มใจช่วยวันนี้ท่านทัพพระต้องศึกเออท่านวัตนาก็ยังไม่เข้าใจก็ถ า, ถามว่าผมจะทำอย่างไรผมจะสามารถช่วยได้ด้วยวิธีไหนก็บอกว่ามาเถิด ท่านวัฒนะท่านจงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่ากรรมนี้ไม่แนบเนียนไม่สมควรทิศที่ไม่มีภัยไม่มีจันไรไม่มีอันตรายบัดนี้กลับมามีภัยมีจันไรมีอันตรายณสถานที่ที่ไม่มีลมบัดนี้กลับมีลมแรงขึ้นประชาบดีของหม่อมฉัน ถูกพระทัพพระมัลลาบุตรปฏทุสลายคล้ายน้ำถูกไฟเผาพระพุทธเจ้าค่ะนี่แม้สันวนดีเลือเกินนะฮะสัมโนดีไว้คือสิ่งที่ไม่คาดคิดคนที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นอันตรายทําความชัว่วเกิดทำนะบอกว่าทิศ ท, ที่ไม่มีไฟทีท่ไม่ปลอดภัยที่ที่ไม่มีลมนี่เป็นสนนัมโนลดีบอกเสี้ยมสอนให้ไปตรัสถึงพุทธเจ้าไปไประกาศทูลพระเจ้าอย่างนี้ในที่สุดเจ้า วัฏทะก็โดยความเกรงใจเพื่อนกลัวเพื่อนโกรธแล้วก็อาจจะนึกว่าที่จริงไม่ต้องนึกอะอตรงนี้มันไม่จริงอยู่แล้วถู๋ไหมแต่อันนี้เรียกว่าคบเพื่อนคนพานน่ะพ่านพาไปหาผิดจริงๆก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าด้วยข้อความอย่าที่ว่าหรวพุทธเจ้าก็ทรงตรัสประชุมทรงแล้วก็เรียกท่านทัพพระมา ถามว่าเธอยังระลึกได้หรือว่าได้ทํำคำตามที่เจ้าวัดทลิชิวีกล่าวหาทําอาทันทัพภะก็กราบทูลถึงสามครั้งว่าพระองค์ย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะเนี่ยแม่ครั้งที่สอแม่ครั้งที่สาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนทัพภะบัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้คํากล่าวหาอย่างนี้ ถ้าเธอทําจงบอกว่าทําถ้าไม่ได้ทําจงบอกว่าไม่ได้ทํา น, นี่คือเรื่องระบบศาลนะจะไปไปบอกว่าฉันรู้ยังไงไม่ได้นะจริงๆพุทธเจ้ารู้ไหมรู้แต่เวลาขึ้นศาลใช้ยังไงไม่ได้ก็ให้ยืนยันเองก็ได้ยืนยันว่าไม่ทําคือเนื่องจากท่านทัพพะเนี่ยสงรู้ว่าเป็นพระอราหารันต์ ถ้ารู้เป็นพระหลานเนี่ยสงรู้อยู่อีกอันหนึ่งว่าอรหัน์พูดไม่พูโกอกพูดคําไหนเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านทัพพระพูดอย่างนี้พระสงฆ์ก็รู้เป็นการยืนยันและเชื่อถือได้โดยไม่ต้องหาหลักฐานเพราะตัวท่านเองเป็นหลักฐานพูดเองนะเป็นหลักฐานอยู่ในตัวเมื่อกล่าวอย่างนี้ว่าเอเมื่อถามว่าให้บอกตรงๆเนี่ยฟังคํคําคาตอบของท่านนะ ท่านบอกว่าอย่างนี้ครับตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วแม้โดยความฝันก็ยังไม่รู้จักเสพเมถุนธรรมจะกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อตื่นเล่าพระพุทธเจ้าค่ะพูดเกินความจริงไหมไม่จริงไม่เกินความจริงไม่ได้ไปแปลว่าผมว่าแต่พูดไม่จริงไม่เกินความจริงเพราะว่าท่านออกบวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ ยังไม่ทันจะมีความกำหนัดในทางประเทศเลยจึงไม่มีโอกาสฝันท่านจึงพูดไม่ผิดเมื่อท่านทัพพระได้ยืนยันด้วยปากของท่านในฐานะที่เป็นอรหันต์ถือว่าเป็นข้อยุติในทางระ ง, งับอธิกรณ์อันหนึ่งว่าด้วยอ้างว่าเป็นอรหันต์หรือลูกเป็นอรหันต์อธิกรณ์ระ ง, งับทันที พระผู้มีพระยจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงพึงควาบาปแก่อุบาสกผู้ประกอบด้วยองแปดคืออะไรบ้างคือขวนขวายในเพื่อมิใช่ลาเพื่อมิใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลายอันนี้ผมไม่ต้องไล่เป็นข้อแล้วก็ขวนขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้ของภิกษุคือเพื่อทําลายล้างพระไม่ให้อยู่ได้แล้วก็ด่าเปรียบเอยภิกษุยุยงภิกษุให้แตกกัน คือทหลังฆเพศด่าเพรียบเลยก็หมายถึงด่าด่าว่าวกนักกแนแหนกันแหนอะไรเงี้ยนะถึงบางทีก็เห็นพระมาเคยเล่าไปบิณฑ บ, บาตก็ผ่านบ้านคนต่างศาสนาและตัวเองเป็นคนแต่นำ้ำดีก็ไม่ใส่บาเยังกันแนกันแหนออย่างนี้ก็หงายบาดก็ก็ไม่ใส่บาอยู่แล้วแล้วก็กล่าวตีเตียนพระพูดเขาทำประสงค์นี่คุณสมบัติเหล่านี้ ควรความบาตรทีนี้การความบาตรจะต้องประกาศให้รู้น ะ, ะคือสงฆ์เนี่ยต้องมาสวดยติว่าจะความบาตรคนนี้เพราะอะไรแล้วก็ต้องส่งพระเป็นทูตไปบอกว่าต่อไปนี้สงฆ์ไม่ครบแล้วนะเป็นอันว่าครบกระบวนการการความบาตรเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งการความบาตรอย่างนี้ ก็ส่งพระอนนไปเมื่อพระสงฆ์สวดทุติยกรรมวาจาแล้วเนี่ยส่งพระอนนไปพระอนนทก็ไปแต่เช้าจ้ะครับไปยังนิเวศของเจ้าวัดท่าลิเชวีแล้วแล้วก็ได้บอกให้ทราบว่าสง์ได้ทําพิธีความบาศแก่ท่านแล้วเท่านั้นแหละครับเจ้าวัดท่าลิเชวีทราบข่าวว่าสงความบาศแก่เราแล้วเราครบกับสงไม่ได้แล้วก็สลบลงณที่นั้นนั่นเอง คือคงกระเทือนใจมากเพราะว่าอย่าลืมว่าเจ้าชีวิตอองค์นี้น่ะไม่ใช่ไม่เลื่อมสายมีความเลื่อมสายแล้วพลาดไปพอถูกประสงค์ความบาปนี้ก็เทือนใจสลบเลยก็ขณะนั้นอ่านี่ก็เล่าเปล่าเปล่าแล้วไงพวกญาติสาโลหิตมิตรอมาดก็พากันมาเยี่ยมแล้วบออย่าเสียใจไปเลยเอเราก็ไป ขอสมาลาโทษพระพุทธเจ้าเสียขอสมาลาโทษพระสงฆ์เสียก็พากันไปขอสมาลาโทษสพศีษะลงแทบประบาทพระผู้มีพภาคขออดโทษพระผู้มีภาคก็ทรงอดโทษให้แล้วก็ทรงตรัสแนะให้ไปขอสมาโทษพระสงฆ์ก็ญาติฝี่น้องก็พาไปขอสมาโทษสงฆ์ญาติพี่น้องก็ช่วยขอโทษ ด, ด้วยตัวเองก็ด้วยเมื่อพระสงฆ์ได้รับการขอโทษก็อดโทษให้ แล้วก็บอกจะทำพิธีงา่บาทก็สวดทำพิธีงา่บาทพองา่บาทเสร็จวัดธาลิจวีก็บวชเลยเลยได้เป็นพระ ร, าาร้านนี่คนที่พระไม่ครบนะก็ยังเป็นพระลหานไปได้เหมือนกับคนอื่นๆที่มีจตกรรมีมจตากิเลสเป็นอย่างอื่น ต่อไปนะครับอาจจะพูดถึงสี่สี่มงครึ่งนะฮะแล้วก็จะหยุดตอนนี้เราหยุดเร็วหน่อยเขาขอไปห้าโมงรู้สึกทำไปทามาในผม จ, จะเล่ายืดยาวเกินตั้งใจเดิมไปเลแเลยเอ่อก็ฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันจันนิสามาบอกแหมอย่ารีบเลยพูดไปเรื่อยๆก็แล้วกัน ไม่จบก็ต่อไปอีกได้ อ, องค์ต่อไปคือองที่สี่สิบสองท่านคธิรวนิยะเรวตะดูชื่อแล้วเราจำใช่ไหมองค์ไหนล่ะอ๋อองส์บเอ็ดก่อนใช่ไหมสิบเอ็ดสิริวัฒน์องสิบเอ็ดครับเป็นชาวราชครุแล้วก็เกิดในสกุลพรามมหาศาล ก็ได้ความาเป็นขนแกนมะคตนะก็เลื่อมใสพระพุทธศาสนาถึงขั้นออกบเอท เ, เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองราชฤกในการทูลของพระเจ้าปิปิสารแล้วก็เมื่อบวชแล้วก็ได้บำเพ็ญความเพียรอยู่แถวราวป่าใกล้เขาวเวภารบันพศ ซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่ล้อมเมืองราชเกลื อ, อยู่เดี๋ยวนี้แหละครับแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้กรณีตัวอย่างของท่านเนี่ยเป็นกรณีที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยอํานาจของอุตตสัพปะยะอันนี้ผมก็ว่าตามเนื้อความตรงนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งก่อนว่าเมื่อท่านบาเพ็ญความเพียรอยู่ แต่ไหนแต่ลายมาเนี่ยอากาศมันร้อนอินเดียเนี่ยอากาศมันร้อนแล้วก็ถ้าคนไหนเป็นคนขี้ร้อนแพ้ความร้อนความร้อนไม่เป็นสารพยา ก, ก็คงปฏิบัติทําไม่ได้ผลอินเดียร้อนมากใช่ไหมร้อนจัดจริงๆริงโดยเฉพาะเมษาไปพมา่าเนี่โอโ้โหมันร้อนร้อนแสบซวงแหละโด ย, ยเฉพาะขึ้นไปทางเหนือเหนืออินเดียเห็นว่ายิ่งกว่า น, นั้นจนใจไม่สงบก็ บังเอิญเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยมันใกล้เข้าหน้าฝนก็คงจะใกล้ๆอย่างเมื่อคืนเนี่ยมีฝนฟ้ามาก่อนฤดูการหรือจะเรียกว่าฝนที่มานำร่องมาก่อนเนี่ยนำความเย็นระงับความร้อนเกิดอุตุสัปไปยะท่านก็เกิดความกระปรีก้กระเป่าแล้วก็จเจริญวิปัสสนากรรมาฐานได้ผลดี จึงทําต่อจนบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยคขาเรียกว่าใช้จังหวะที่ได้อุตุส่าปัยะชั่วประเดี๋ยวประดาวเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปได้คือไอ้ตรงนี้นะ่ะเราศึกษาประวัติของพระอรหันต์แต่ละองค์แล้วก็จะเห็นว่าก็ใกล้ๆคนเดียวนี้บางคนเงื่อนไขมีน้ําอดน้ําทนเกี่ยวกับฤดูกาลน้อยบางคนก็มีน้ําอดน้ําทนเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินน้อยเวลาได้ อาหารสัพเะยะของตัวตัวสัพะยะของตัวก็บรรลุได้โดยง่ายดังนั้นท่านจึงได้กล่าวในคาถาอุทานของท่านด้วยเนื้อความที่เกี่ยวกับเวฟ้าอากาศผมอ่านให้ฟังหน่อยนะครับไม่ยาวท่านกล่าวว่าสายฟ้าแลกส่องแสงลอดเข้าไปตามช่องแห่งภูเขาเวภาระ และภูเขาปันดวะชั้นใดภิกษุผู้เป็นบุตรแห่งพระพุทธเจ้าผู้คงที่ไม่มีผู้เปรียบปานอยู่ในช่องแห่งภูเขาเจริญอยู่เจริญฌานอยู่ฉะนั้นอันนี้ท่านเป็นท่านเป็นคถ า, าบอกจังหวะเวลาว่าท่านได้สำเร็จในฌานทั้งสองอย่างอารามโนปนิจาารักขณูปนิจานตอนที่ ฟ้าฝนกําลังมาอากาศกําลังดีจึงอุทานอย่างนั้น อ, อีกองหนึ่งคือท่านคทติรัวนิยะเรวตาท่านคทติรัวนิยะเรวตานั้นเป็นน้องชายคนสุดท้องของพระสารีบุตรก็แน่นะครับท่านเป็นชาวมคตเกิดในหมู่บ้านนาละกาคามน้องชายก็เล็กปว่าิบุตรก็ประวัติที่เล่าถึงกนณีท่านก็ว่าพี่ชายพาน้องชายบวชหมด แล้วก็พาน้องสาวซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นพี่ชายพี่สาวท่านบวชหมดพ่อแม่ก็เห็นว่าเหลือลูกชายคนเดียวกลัวสกุลจะล่มจมก็พากาันวางแผนป้องกันแน่นหนาจะไม่ให้บวชก็จับแต่งงานตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเพื่อใช้เลือนเป็นเครื่องผูกก็นี้คนที่มีวาสนาบารมีกวามจริงประวัติท่านเนี่ยเราค่อนข้างเล่ากันบ่อยแต่ก็เห็นว่าน่าจะเล่าอีกนิดหนึ่งอตอนที่ ไปทําพิธีสู่ขอแต่งงานแล้วก็นาเจ้าเจ้าสาวมาสู่เรือนเนี่ยอตอนไปทําพิธีสู่ขอเนี่ยก็ว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่อายุมากๆแล้วมาอวยใจให้พรมีอู่คนหนึ่งมีคำอวยพรบอกว่าขอให้เจ้าที่เขาอวยพรหลานสาวนะจงอยู่อายุมั่นขวัญยืนได้เห็นธรรมเหมือนกับที่ ย่าทวดเห็นคำว่าเห็นธรรมนี่คืออะไรก็ถามมาเห็นธรรมคืออะไรคือเห็นความแก่ความเกิดในเห็นไปแล้วเห็นมาโดยลาดับอย่นเห็นความแก่คืออันนี้เหมือนพูดเหมือนเป็นตำนวนนะอยู่จนแก่เห็นตัวเองแก่เป็นมรชราธรรมพอบอกว่าอยู่จนแก่เห็นความแก่ตัวเองก็ถามว่าเอ๊ะ เจ้าสาวต้องแก่อย่างนี้ด้วยหรือนี่ก็พูดตามภาษาเด็กนะะที่มีบารมียิง่งผมก็ต้องแก่อย่างนี้ผู้ใหญ่ก็พูดอย่างคนไม่มีบารมีก็พูดเลยเปืยดดำที่เด็กถามพอพูดอย่างนี้เข้าก็เกิดความสลดใจสะดุ้งสะเทือนว่าเอ๊ะแก่กันหมดไม่มีใครไม่แก่เลยก็เลยคิดว่านึกถึงพี่ชายว่าพี่ชายเราไปบวชที่ก็พ่อคงเฉพาะ อ, อย่างนี้แหละ ก็เลยวางแผนในใจว่าเดี๋ยวพอนำเจ้าสาวกลับสกุลเนี่ยเราจะหาทางหนีให้ได้ก็ทำทีวางแผนปวดท้องเอือลงไปเอือแล้วก็ขึ้นมาโดยดีทำอย่างนี้สามครั้งพอครั้งที่สี่นะเห็นว่าพวกผู้หลักผู้ใหญ่คงวางใจแล้วว่าคงจะท้องเสียจริงๆก็เลยบอกอาค่อยค่อย ขับเกลียนเลื่อนไปพังพางก่อนแล้วกันหนูจะไปเออเสร็จแล้วก็ลงจากรถหลบไปเลยครับหลบไปไหนหลบไปหาหมู่ภิกษุที่พี่ชายได้สั่งไว้ก่อนหน้านั่นแล้วว่าถ้ามีเด็กคนหนึ่งมาเป็นน้องชายของเราขอให้บวชให้เลยนะเพราะว่าเราเนี่ยก็คือพ่อก็คือแม่ของเรวัตนั่นเอง พ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นที่พึ่งแก่ลูกไม่ได้ก็เหมือนไม่เป็นพ่อแม่สั่งพระว่าภาษาลีบุตรก็ไปอยู่พุทธยากรเลยวตาก็มามาหาพระพรก็ถามก็บอกว่าเนี่ยเป็นน้องชายของท่านอุปติสาพระไม่รู้จักบอกว่าท่านภาษาลีบุตรเนี่ยก็เลยบวชให้พอบวชให้แล้วภาษาลีบุตรก็ประสงค์จะมาเยี่ยมพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า ควรจะไปเยี่ยมตอนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเขารู้ว่าคงจะบรรลุในเวลาเร็วนี้ก็ลังพระสาลีบุตรไว้ว่าเอาไว้รอก่อนแล้วกันเราจะไปด้วยจนท่านเล็งเห็นว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึงไปกับพระสารีบุตรซึ่งตอนนั้นพระคธิรวัณิยะเรวตะได้หลบไปสู่ที่เหล็กเลนคือป่าไม้ตะเคียนคําว่ากธิระเนี่ย แปลว่าตะเคียนเป็นชื่อของไม้ตะเคียนวันณะก็คือป่าเติมอียะปัจจัยก็คืออยู่เนื่องอยู่อยู่ที่ป่าไม้ตะเคียนตอนนั้นมีคณะสงฆ์ไปกันมากแล้วก็ว่าไปถึงทางสามแงลจะเลือกว่าจะไปทางตรงทางอ้อมพระพุทธเจ้าก็ถามว่า ถามาบอกแกปลานนนว่าศิวลีมาด้วยเราก็ไปทางตรงก็แล้วกันถึงจะเป็นทางกันดารเพราะท่านเห็นว่าบุญของภาษาลีของท่านศิวลีนั้นคุ้มได้เข้าไปแล้วก็ไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องพิขาจารยนใดอย่างใดเทวดาเขาช่วยเอาเป็นว่าเมื่อท่านบรรลุเป็นปราหลานแล้วในการต่อมาท่านได้ไปพาเอาหลานสามคน หลานสามคนเนี่ยเป็นลูกของพี่สาวสามคนคือนางจาราซึ่งตอนหลังมาบวชจรงจริงมาบวกก่อนแล้วเป็นพระอาหารไปแล้วด้วยนางจารานางอุปจารานางศรีสุประจาราแขกเคงแต่งงานกันเลยก็มีหลานเอาไว้นี่เรียกว่าลูกยังไม่พอมีหลานยังไม่เลยลูกเอาหลานเอาทั้งลูกทั้งหลานมาบวชหมดเลย ทีแรกก็ให้มาบวชเป็นเนนก่อนตอนหลังก็ได้บรรลุธรรมชั้นสูงกันไปหมดตามลำดับตามลาดับท่านคทิละวะเนี่ยได้ทำยา น, นาทานเอาไว้ครับในอดีตชาติอันนี้ก็เลยเล่าอีกสักนิดหนึ่งสมัยพระปัทมุตตะพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นช่างต่อเรือที่ท่าปยาคะ แล้วก็ได้เคยต่อเรือถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกเป็นผานะข้าแม่น้ํำคงคาแล้วก็ได้กระทําความปรารถนาเอาไว้ว่าขอให้ได้บรรลุธรรมอย่างที่ท่านประสบความสำเร็จในชาตินี้อันนี้ก็เป็นประวัติของท่านขาทิรวะนีย์เรวตะก็ค่อนข้างจะ เป็นประวัติที่ซ้ำกับที่เราส่วนใหญ่ติ้ยินได้ฟังมาเอาองสุดท้ายองค์สี่สิบสามท่านสุมังคละท่านสุมังคละนั้นเป็นชาวเมืองเวเมืองสาวัตถีอาชีพเดินท่านเป็นเกษตรกรเกษตรก ร, ก ร, ร, กรนั้นก็มีอุปกรณ์คือไถมีเคียวมีจอบที่เป็นคู่มือการดำหมากินอาชีพนี้ อ, อฐานาะเกษตรกรนั่นก็ยากจนทุกสมัยเว้นแต่ว่าเกษตรก ร, กรที่เป็นนายทุนเหมือนอย่างพวกพราหมณสกุลบารัตวารยะอย่างที่เราเคยพูดถึงในประสูนย์หลายๆสูตรมาแล้วอย่างนั้นเราก็รล่ำรวยแต่ว่านี่เป็นเกษตรกรกรายย่อยก็ฐานะยากจนหาช้ากินคําเอ่อเหตุที่มาบวชเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นความศรัทธาอันบริสุทธิ์เลยหรครับเพราะว่าวันหนึ่งไปเห็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงกระทา ม, มหาทานคือบํารุงเลี้ยงพิสูุสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ที่วัดเชตวันนี่แหละครับแล้วก็ได้เห็นว่าชีวิตของพระเนี่ยไม่ได้ต้องทํามาหากินเหน็ดเหนื่อยเหมือนอย่างเราแต่ว่านุ่งผ้านุ่งผ้าห่มที่สะอาดเรียบร้อยดีกว่าเรา อาหารการบริโภคก็ได้ฉันอาหารประนีตอาหารในรั้วในวังพระเจ้าแนดินก็ทรงเอามาประเคีถวายให้ฉันเสนาสะนะที่อยู่อย่างวัดเชตวันเนี่ยก็สร้างอย่างแข็งแรงน่าอยู่อาศัยก็มีความคิดมาถึงตัวเองว่าเออเราเนี่ยทําหมากินลําบากแต่ว่าอยู่ลําบากแทนที่จะทําหมากินลําบากและอยู่สบายก็เลยไปบวช จึงไปขอบวชกับพระภิกษุรูปหนึ่งบวชแล้วอาจารย์ก็บอกกรรมาฐานให้แล้วคนที่บวช ด, ด้วยเจตนาอย่างนี้นะไ อ, บบดดไอบ้บางคนก็บวชด้วยเจตนาไม่ดีแต่พอบวชแล้วดีกว่าดีก็มีบางคนก็บวชเจตนาไม่ดีพอบวชแล้วก็สมเจตนาที่มาบวชอย่างรายนี้นะ่ะบวช ด, ด้วยเจตนาอย่างนี้พออาจารย์สอนให้คากรรมาฐานอยู่คนเดียวเขาก็เบื่อ คนถ้าไม่มีกรรมฐานทำกรรมฐานไม่ติดไม่รักกรรมฐานรับรองว่าการอยู่คนเดียวนี้มันเป็นการอยู่ที่ทรมานมากน่าเบื่อที่สุดใช่ไหมฮะแต่ถ้าคนรักกรรมฐานเป็นกรรมฐานทำกรรมฐานเป็นนี้อยู่คนเดียวนั้นเป็นสุขมากท่านทำกรรมฐานไม่คืนอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์ก็เลยอยากศึกวันนั้นก็รีบกลับไปหาญาติเพื่อจะหาทางศึกจะอยู่ที่ไหนยังไง ก็บังเอิญระหว่างทางไปเจอชาวนาเหมือนกับตัวเองเมื่อยังไม่บวชทำนาหลังขดหลังแข็งหน้าหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเข่ามุกเขา ม, มอมเหน็ดเหนื่อยก็มา น, นึกว่าเราศึกไปแล้วก็ต้องไปเป็นอย่างนี้เราจะศึกไปทำไมเอเรานี่มันดิ้นลนหาทุกใส่ตัวแท้ๆเพราะนั้นก็คิดว่าเราจะต้องหาทางเอาชนะ สิ่งที่เราไม่ชอบไม่ได้ก็เลยมุมานะทำกรรมฐานอย่างเอาจริงเอาจางังคือพยายามให้ได้สัมผัดกรรมฐานเพื่อจะได้ชอบและจะได้อยู่ด้วยความรืม่นรมใจคราวนี้เลยทะลุเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เลยรอดตัวไปก็เลยอรหันต์องค์นี้เป็นอดีตชาวนาที่มาบวช ด, ด้วยความ ปรารถนาในทางลาบมีใช่อย่างอื่นเลยจัดทิ้งท้ายด้วยคำคาถาของท่านให้ฟังเห็นฟังเพลอดีเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็กล่าวคาถาว่าเราพ้นดีแล้วเราพ้นดีแล้วเราเป็นผู้พ้นดีแล้วจากความคล่อมทั้งสามคือเราพ้นจาก การเกี่ยวข้าวจากการไถจากการถางหญ้าถึงแม้ว่ากิจมีการเกี่ยวข้าวเป็นต้นจะมีอยู่ในที่ใกล้ๆเรานี้เองแต่ก็ไม่สมควรแก่เราทั้งนั้นท่านจงเจริญชานไปเถิดสุมักะลกะจงเจริญชานไปเถิดสุมักะลกะท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เถิดสุมักะลกะ สอนใครสอนตัวเองไอค้คอมเนี่ยหมายถึงหลังค่อมอะหลังูซฟาแหละหน้าหน้าสซดินอ ะ, อะวันนี้ก็จบเท่านี้เราพบกันวันเสาร์หน้านะฮะ